โอดีมากนะถ้าสภาวะสามอันนี้สลับไปหรือไปแล้วก็รู้รู้แล้วก็ไปเคพ่งไม่ได้ฝึกเพื่อเอาอันแดนหนึ่งเราไม่ได้ฝึกเอากันทั้งรู้นะอาศัยว่ามีรู้ขึ้นมาเพื่อรู้ว่าเมื่อจิตเปลือกไม่ควรจะเห็นเลยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอหรือจิต ม, มันจะเคพ่งก็ห้ามมันไม่ได้ ก็แสดงไตลักษณ์คุณเ้าวจารณาอเคู่เ็นกิเลสบ้างไหมเห็นกิเลสเกิดไหมเห็นบ้างยังกิเลสตัวไหนเกิดบ่อยหิวอะหิวไม่ใช่กิเลสนะเออต้องเปลือหิวเป็นธรรมดานะใครๆมก็ต้องหิว ไม่ใช่ชกิเลสแต่ถ้าหิวแล้วโมโหเนี่ยเรี่โมโหูอหิ ว, หว อ, ยอย่างนี้หนึ่งจะเรียกว่าให้เป็นกิเลสแล้จม่ิดิดนะแต่ต้องทออํายีดยังไม่พอต้องทำเยอะๆดู บ, บ่อบ ย, บยๆยิ่งเห็นกิเลสเกิดบ่อยๆยิ่งดีเช่นเราจะเห็นในใจเราเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธถ้าไม่โกรธขึ้นมันก็หงุดหงิดเสียใจดีใจ เป็นสุขเป็นฟุกเดี๋ยวก็อยากได้โน่นอยากได้นี่เงี้ยนี่เราค่อยดูความรู้สึกในใจเราเปลียนแปลงทั้งวันเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเไม่ต้องต่อนะดูเท่าที่ดูได้ไปดูบ่อยๆไม่ต้องต่อหรอกนะต่อไม่ได้ยังไม่ไม่ถึงจุดที่มราจะดูได้ทั้งวันดูเท่าที่ดูได้ อือืพอจได้แล้วให้ฝึไปนะรัรู้สภาวะไปเรื่อยๆจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหงรุ่บ่อยๆดูมากข้ามาเข้าใจยังไม่ตื่นนะรู้จัใจที่หลบไปคิดยังเดินนั่งรู้ตัวนั้นบ่อยๆใจหนีไปคิดแม่ก็รู้สึก ไม่ต้องสนใจตรงนะี้แค่รู้ว่าใจหนี้ไปคิดรู้ได้อย่างเดียวแค่นี้ก็พอแล้วเพราะการที่ใจเราหลงไปคิดเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดใจนั้นเดี๋ยวก็หนีไปคิดแล้วแล้วแต่เรื่อส่ว mm hmm. นความโลภความโกรธอะไรนี่ยังเกิดน้อยกว่าแต่ไปคิดก่อนถึงได้โกรธถึงได้โลก ก็ดีนะดึกไปแกค่อยๆตื่นแล้วะเนกิเลสั้งมเนกิเลสดีแล้วตง่ชั่วโมงบินก็ดูบ่อยๆชั่วโมงบินนั้เาใช้กับพวกนักบินมันบินบ่อยๆแล้วชั่วโมงบินมันก็เยอะเราอยากชั่วโมงบินเยอะเราก็ดูบ่อยๆเลยชั่วโมงดูเยอะ ดูบ่อยๆเดี๋ยมันก็ชำนาญขึ้นชำนาญขึ้นนะแล้วมันง่ายอะไรที่มันไม่คุ้นเคยมันแปลกมันใหม่มันก็ทำยากาหัดรู้บ่อยๆนะต่อไปยิ่งง่ายขึ้นเรื่อยๆการปฏิบัติแล้วจะแสนจะง่ายเลยไม่ได้ทำอะไรเลยมินคนมาด่าเราเราโมโหรู้ว่าโมโหง่ายนะไม่ยากอนะไรคนมาชมเราใจเราทองเลยดีใจรู้ว่าดีใจง่ายง่ายหัดไปง่ายง่าย ธำมะน่ะของธรรมดาที่สุดเราชอบไปวาดภาพธรรมะจนเ ก, รรรรมมกินธรรมดาธรรมะกับธรรมดานะคำเดียวกันใ่ะอาารย์อาจารย์ดูามเลยนะที่าจารย์ดูตามแล้วเขาทำทันใจไม่คิดมาเหมือนเราไม่ได้ทอะไรเลยพอทันรู้เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะดีแล้วนะแต่สังเกตไหมใจทำงานไม่เลิกเลย ให้เรารู้ทันใจที่ทํางานไม่เลิกรุ่มไปเรืยเราอย่าไปช่วยมันทําจิตใจมันจะปรุงแต่งปรุงดีปูุทั่วปรุงุขปรุงทุกข์ ก, ก, ก็เรื่องของมันไม่ห้ามมันหรอกแต่ว่าเราอย่าไปช่วยมันปรุงเช่นมันโกรธขึ้นมาก็หาทางละให้หาโกรธโลภขึ้นมาหาทางทําให้หายโลภใจลอยลคิดแต่ว่าทํำยังไงจะไม่ใจแรงอย่างเงี้หลงความปรุงแต่ง เั็นถ้าใจมันทํางานทั้งวันเราก็เห็นมันใจเห็นใจมันทํางานทั้งวันทั้งคืนเราไม่ช่วยมันทํานะเราไปแค่คนดูถึงว่าหนึ่งเราจะรู้เลยมันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานได้เองตอนนี้ยจิตจิตเป็นยังไงขณะนี้ยรู้สึกตัวเปล่าโอ้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะให้รู้ทันนะจิตมันลอยตุ๊บ่องมาอยู่ที่หลุม้อนี้ให้รู้สึกตัวไป เนี่ยเบอร์ยี่สิบสองเนี่ยไปดูเขาแล้วลืมตัวเองว่าไรไเพ่งลหาใรู้ารู้จักเพ่งแล้วใช่ไหมนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยนะชอบเพ่งเวลารู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจไปรู้ท้องฟองยุก็ไปเพ่งท้องขยับมือใส่หนังตะเกียนก็ชอบไปเพ่งมือ ครับเพ่งที่ว่าเพ่งเพ่งแ้จะได้รู้ชัดๆแค่ไม่ได้เพ่งนุ้บังคับตัเองเมือลางันคิดไปในทางที่มันตตัวก็จะเหอด้เหมือนอะไรนะอะ่ไม่เป็นไรหรื อ, อหนกก็เลิกจะสะดุ้งอะไรของมันทุกวันเนาะเ <c oughs> บาเกอนธรรมดา น, นิดหนึ่ง เบาวเกินไปนิดหนึ่งค่อยๆดูเอามันยังไม่ค่อยพอดีแล้วไม่ต้องไปทําให้พอดีนะเดี๋ยวก็หนักไปเดี๋ยวก็เบาไปเดี๋ยวก็เผลอมากหน่อยฟุ้งๆไปเหมือนกับรู้ๆอยู่แต่กระจายกระจายเดี๋ยวก็เคพ่งเอาไว้หัดเอาไว้ให้เราคอยรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ได้ฝึกเพื่อเอาอันใดอันหนึ่งหรอกไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสงบไม่ได้ฝึกเอาตั้งมั่นอะไรหรอก ก็เห็นใจมั น, ำนทำงานาั้งมันทั้งวันทั้งคืนตรงนี้ดูออกแลวใช่ไหมดีดนาะาาอนนี้แน่ลเคยทีะเดกนีไมาีน่ทากนไม่ต้องเห็นตลอดนะเห็นแค่ที่เห็นได้แต่ให้มันบ่อยๆหนะส่วนใหญ่ก็คือใจของเราแวบอยู่ทั้งวันแต่แว บ, บแล้วแว บ, บเลย <eri> เห็นเด็กวิ่งอยู so, why, ่หน้าบ้านไปดูมันวิ่งตามมันไปเลยทั้งวันเลยไม่กลับบ้านเลยเลิกสนใจเด็กก็ไปวิ่งไปคิดเรื่องอื่นต่อไปเราดูจิตดูใจตึงไม่ออกจิตใจก็วิ่งริ่นรนนีออกไปนอกบ้านไปหาความทุกขมาใส่ตัวเองไม่ค่อยรู้ทันจิตใจจิตใจก็ไม่หนีไปหรือหนีไปก็ไม่นานจิตใจตั้งมั่นแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเลยเลยไปเรียนนะครับ เ, บบออเออนะอย่า ง, ง น, นี้นแหละเออไม่ไม่ต้องฝึกให้พอดีนะทำไมเราต้องมีรู้ตัวมีรู้ตัวเพื่อรู้เมื่อกี้เผลอพอรู้ตัวปุ๊บ ก, กลัวจะเผลออีกก็บังคับอัตนมัติแล้วเราก็รู้อีกบังคับไว้ในสุดสภาวธรรมมันก็สแสดงเตยรักให้ดูเดี๋ยวเป็นอย่างง้เดี๋ยวเป็นอย่างนี้อย่างจะเผลอเราก็ไม่ได้เจตนาเผลอ แต่ลัมาบังคับก็ไม่ได้เจตนาบังคับมันเป็นเองจะไม่เหมือนอย่างตอนที่หัดฝึกใหม่ๆนะที่ไปดูลมหายใจดูเท้าดูท้องนะนั่นจงใจไปบังคับเนละนี่เราจงใจบังคับจนชำนิชำนาญบังคับอัตโนมัตินะ่ะใจเราลอยแว่พอรู้ทันทุกบังคับปับ๊บอันนี้เป็นเบญเป็นกรรมของนักฝึกสมถ า, าน <c oughs> คนที่ไม่เคยฝึกมันมีแค่สองอันไม่เผลอแล้วมันเผลอไปมันก็รู้สึกตัวพอดีพอดี มีแต่เผลอแล้วก็รู้สึกเผลอแล้วก็รู้สึกคนที่เคยเข้าวัดทํากรรมฐานเข้าคอร์สอะไรเยอะๆออเอาเผลอไปเพรารู้ว่าเผลอก็จะเพง่งจะสุดโต่งไปข้างเขากลัวเผลอต้องใจถึงถึงนะหรือก็เผลอสกอย่ากลัวให้ดูไปความจริงแล้วใจเราเผลอไปนั้นก็มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างแต่ตอนเพ่งไว้นั้นมีทุกข์ล้นเลยนะ ถ้าอยากเป็นคนดีก็ทุกอย่างคนดีอตอนนี้ตื่นได้เลว่าเพะ่อน ท, ที่ที่ทำผิดก็คือห้ารู้ว่กรธไม่รู้ว่ากรธแต่ไม่ได้ยงดูไม่ถูกนะต่อไปเอานี้โกรธเนะี่ยไปดูไปซิดูซิเคอจะโกรธได้นานแค่ไหนต่าตามดูนะอย่าพิละมันที่ทาผิดก็คืออยากให้หายโกรธไปดูที่อยากไหยโกรธอ่ะอยาก กลับเขาเองอย่าดึงมานะดึงมาแล้วแน่นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นรักกิเลสกิเลสเนี่ยอยู่ในสังสารผลอยู่ในกองฟุ้งหน้าที่ของเราคือการรู้ไม่ใช่การละนะนั้นจิตมันโกรธขึ้นมาเราก็ดูจิตมันไม่เที่ยงนี่ยจิตมันเป็นอนัตตาเนี่ยเมื่อกี้ไม่โกรธตอนนี้โกรธ หรือไม่อกี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธแล้วมันจะโกรธมันก็โกรธของมันเองนะห้ามมันก็ไม่ได้นี่ธรรมะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงที่เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของที่เราบังคับไม่ได้ธรรมะอยู่ตรงนี้นะธรรมะไม่ให้อยู่ที่พยายามไปบังคับมันนี่พวกเรานักปฏิบัตินะพอเห็นกิเลสและเกลียดเลยอาทางละบหาทางลับเนี่ยไม่ตรงที่พระพุทธเจ้าสอน ท่านบอกให้รู้ท่านไม่ไดให้ละให้รัอันเดียวคือรัความอยากจะละลรัตัวตัณหาตัวอยากแต่ถ้าใจมันเป็นอะไรขึ้นมานะมนี่ยมีหน้าที่ตามรู้รูปเดียวเลยแล้วถ้าอยากแทรกแซงมัน ร, รู้ทันตรงนั้นความโกรธเกิดขึ้นมาอยากแทรกแซงให้หายตกวธรู้ทันความอยากแทรกแซงตัวนี้ต้องรักต้องเป็นกลางวิธีลักก็คือให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางแล้วมันจะเป็นกลางเอง เกว่าจะได้ความรู้แต่ละตัวนะลมลุกทุกขานนะกว่าจะรู้ว่าให้รู้อย่างเป็นกลางมันก็รู้แบบไม่เป็นกลางนะเหนื่อยว่าไงรู้ใจ่อมาย่ด้้จดีอายานเลยช่วยทบาพ่อทังหมดดีแล้วนะดีนะลุกลุ่นดีดีนะถามพ่อผานแม่ปวัดแต่รุ่นหลวงพ่อไม่เงินนะ ผู้ใหญ่พาเราเข้าวัดเช้าๆเขาใส่บาตรเสร็จแล้วก็เลือนขิวถิ่โตไปวัดอีกรอบนึ่งหลวงพ่อเข้าวัดมาตั้งแต่อายุไม่กี่เดือนยังเดินไม่ได้เลยนะก็อุ้มไปวัดเรื่งใจในคุ้นอยู่กับวัดโตขึ้นมาก็วิ่งเล่นในวัดนะผู้ใหญ่ไม่ได้บังคับนะว่าจงมานั่งฟังธรรมตั้งใจให้รู้เรื่องไม่ได้สอนอย่างนั้นนะเขาทําให้เราดู แล้วไปไหว้พส่วนมนต์แล้วไปฟังเทศอะไรไปทําบุญเลิ้พลมพระค่อยๆเห็นใจใจมันก็ค่อยๆสนใจถ้าเราชอบบังคับเด็กหลคนบังคับเด็กให้เรียนธรรมะเด็กมันต่อตา้านแต่ถ้ามันอยากเรียนมันจะสนใจเองแล้วมันก็ขยันดูทำตัว อ, อย่างให้ดูเนาะอยากให้คนอื่นไปปฏิบัติแล้วอย่าไปบังคับเขานะไม่ใช่ไปเรียกให้เขาปฏิบัติแล้วเขาไม่มาแล้วโมโหเขา เขาก็เห็นเลยไอ้ น, นี่ไม่เข้าท่าเลยไม่เอาไหนเลยไม่รู้จะปฏิบัติทําไมตัวมันเองเียังไม่รอดเลยเราต้องดีให้เขาเห็นมีความตุกให้เขาเห็นจินมีโมหะนะทั้งสองคนเลยอดีที่เห็นเห็นแล้วก็อย่าไปล่ามันรู้อย่างที่มันเป็นสังเกตไม่แต่ละวันไม่เหมือนกันเห็นแล้วใช่ไหมแต่ละเวลาแต่ละขณะไม่เหมือนกันดูอย่างนี้เลยถ้าใจอย่างอยากแทรกแต่ ไม่รู้ว่าอยากแต ก, แกแตัวนี้ต้องต้องจัดกา ร, ร, ร อ, อันดับเป็นนหนึ่งโมหะหลงเหมือนกันใช่หโมหะโมหหลงไปโมหงเนี่ยทําเป็นกิเลสที่ทําให้เราเห็นสภาวะธรรมได้ไม่ชัดเจนมีหลายแบบแต่เราฟุ้งซ่านแบบฟุ้งซ่านแต่เลยไม่รู้เลยว่ารู้อะไรฟุ้งฟุ้งไปเรื่อยจับไม่ถูก กิการหนึ่งลังเลสงสัยสงสัยแล้วคิดใหญ่เลยหาแต่เรื่องคิดละคิดๆอันไหนถูกหน้านไหนถูกนะนี่ก็โมหะอันหนึ่งก็ซึมไปเลยซึมซึมซึมกระตือไปเรื่อยๆจับสภาวะได้ไม่ชัดมีหลายแบบเรียกชื่อไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนักทุนแจ้วทุี่ม้อวดีนะ คลายออกแต่ยังไม่หมดนะยังบังคับเป็นเคยชินนี่แหละเรียนกรรมของการปฏิบัติอยู่ดีไม่ว่าดีนะปฏิบัติอะไรที่มันแปลกๆเกินธรรมดาแล้วต้องมานั่งคอยรู้คอยดูชอบเห็นว่าที่ทำอยู่นะใช้ได้แล้วดูอยู่ดูอย่างนี้เลยดูรู้รู้แล้วเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยอ่ะเล่าไปชอบเห็นว่าคนอนี่ทำมีแต่ที่ ที่ไม่รีอเแล้วก็าเาเาไปบของเล้วครัไม่้่อยู่ตรงน้น่ีกาทให้ดูจิตเองพวกคิดมากและพวกคิดผิดจริตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นพวกผิดจริต ยึดมั่นในความคิดความเห็นของเราอย่างนี้ดีอย่างนี้ถูกอย่างนั้นไม่ถูกไม่ดีแล้วก็อยากไปบังคับคนอื่นจะไปแทรกแต่งความคิดความเห็นคนอื่นให้ดูใจของเราบ่อยๆนะมันเป็นกรรมฐานโดยตรงเลยสําหรับพวกที่จิตจริงถ้าเราดูใจของเราบ่อยๆเราจะพบว่ากระทั่งใจของเราเองเรายังบังคับไม่ได้เเราจะไปบังคับใครเขาดูบ่อยๆจะไปหายที่ทําอยู่ดีแล้วดูได้ถูกแล้วดูบ่อยๆนะ อย่าขี้เกียจซะล้ะมันจงใจอยู่นิดนึงนะดูออกไหมยังมีความจงใจที่จะควบคุมตัวเองดูออกไหมยังบงังคับตัวเองให้รู้ทันการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกให้รู้ทันสภาวะที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบัดนดูไรงนตังชี้ เราเจบบ้า <sheet. S 1> ่กมีการ่คอไปเมื่อกเราเรีเรื่องกูเดคือการที่เห็นอกการลองที่ที่ที่เราื่อที่ืออเ็นอ่มัการนนีครับนี้ ก็ดีแล้วนะดูไปเรื่อยเห็นไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเห็นไหมความสุกความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเห็นไหมกูตนกูตนไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าดูบ่อยๆแต่ตัวรู้เนี่ยมีกฎอยู่ข้อหนึ่งอย่าไปเพ่งใส่มัน ถ้าเพ่งใส่ตัวรู้เมื่อไหร่มันจะกลายเป็นตัวถูกรู้ทันทีนจะซ้อนไปเรื่อยๆนี้เนรที่มัน่ีตัวตนีอ่านี่ใจเราแบนะมันชอบไปค้างไปคาอยู่ความว่างๆพยายถอยออกมานิดห น, นึ่งจิตขณะเนี้ยนะมันไม่ธรรมดาดรอ อ, อไหมมันเกินธรรมดาดมเลน้มันเป็น่กที่ที่ ไม่พอมันไปรู้ตัวเองแล้วเนี่ยมันลงไปแช่อยู่กับการรู้นั้นรู้แล้วมันพลัมลงไปในการรู้นั้นรู้แล้วต้องพยายามถอดถอนตัวเองออกมาอย่าให้มันเข้าไปเกาะกันอยู่จิตต้องคุณมันเข้าไปเกาะกันอยู่มันไปสร้างพบภายในซึ่งมันจะสว่างสว่างขึ้นมานะอันนี้เป็นค้างค้างไวหมือเลยว่าการที่ไป เดี๋ยวนะเดี๋ยวที่เาดูี่ก็คือการเดินก็ไม่ต้องคืออะไรนะไม่ได้เป็นอะไรเพราะตอนนี้สักกายทิฏฐิยังไม่ขาดนะอะ้รทิยัิทิเทียงอยู่ตรวจสอบไหมมันยังไม่ขาดมันยังไม่ได้แหวกสิ่งที่ห่อหุ้มไม่ได้แหวกนัสวะไม่ได้แหวกสังร่ง สังเกตอย่างหนึ่งนะใจเราเนี่ยมันจะมีความนิ่งๆอยู่น่ะตัวนิ่งๆเนี่ยเราไปสร้างมันขึ้นมาอย่าติดอยู่กับตัวนี้นะอย่าติดจากการนิ่งรู้จักได้ยินชื่อหลวงปู่มั่นบั่งไหมหลวงปู่มั่นย้ำมากเลยบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยอย่าให้ค้างอยู่ในความเฉยเฉยนะใจของคุณภาวนาไม่ใช่ง่ายที่ภาวนามาได้อย่างเนี้เก่งแล้วไม่ใขาดีกนิดเดียว คือ ใ, ใจเราเนี่ยถ้าปิดตอกกับความนิ่งนิ่งว่างว่างเอาไว้นั้นใจมันจะคงที่อยู่นิ่งนิ่งอย่างนั้นจะเห็นสิ่งทั้งหลายเคลื่อนไหวไปนะแต่ตัวที่เป็นคนดูเนี่ยไม่เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลงมัมชื่อน่หงพ่อดถงางี่าหรอกคือตัวของเอ น, น, นี่จริงต้องว่าอจริงีผมไมคือไม่ค่อส่ใจใรนา เมื่อสี่หสี่สิแล้วทีนี้เนี่ยปฏิบัติเรื่องตืนตัวามเล่าเรบอยเรื่องคนนี้ต้องการที่จะสฏิบัติธทําเยอะแต่ถามเล่าขงทามเลยแล้วเวลาเราทามเล่านยก็คือส่วนใหญ่เนี่ก็คือจะคุยเรื่องธรรมะกันหซึ่งลังหลักนี่ยเาาไม่ถึงรู้สึกเออผมก็เราชอบดู่ หลังก็มีการมีศีลธรระมากขึ้นกฏิบัติก็มีบ้างแต่ว่าคือล้วนๆมีอะไรอยู่นะที่ห้านี่ผมว่าข้อห้านี่ผมค่อนข้างยากหกแต่คืออาจจะอฏิบัติธรรมัค้งหนึ่งเลไรย่าเลยครับทีนี้ไาจะถามลวก็เนี่ยเราถามเล่าไปด้วปฏิบัติธรรมวยอะถทานเล่าไปด้วยปฏิบัติธรรมไปจนคนละขณะกันนะ ขณะเมาเล่ามันก็ไม่ได้ปฏิบัติหรอกขณะไหนมีสติมันก็ปฏิบัติเหมือนเคยมีเรื่องนะพวกชาวประมงชาวประมงเนี่ยบอกว่าผมถือศีลไม่ได้หรอกผมต้องไปจับปลาครูบาาจารย์ก็ถามว่าจับปลาตลอดเวลาหรือเปลาขณะที่นั่งเรือออกไปยังไม่ได้จับปลานะต้องมีศีลไม่ก่อนงั้นีตอนยังไม่ได้กินเหล้าก็มีศีลไว้ก่อนนะ อย่าไปตั้งใจว่าเราซือแค่สี่ข้อว่าตอนนี้ยังไม่ได้กินเหล้าเลยคือการกินเหล้าเนะี่ยมันมีโทษตรงที่มันทำให้ขาดสติง่ายแล้วคนกินเหล้านะ่ยชอบพูดธรรมานี่ไม่ใช่แปลกนะทำไมโบราณนะเขาเขียนกลอนว่แก้วที่หนึ่งลงนุษหมายถึงยังสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานแก้วที่สองนะพุทธวาจาแก้วที่สามอะไรนะแก้วกลา้าพุทธจารุา ไล่ไปนะ่าจะถึง10แก้วแล้วสามเลยครั้งที่ผมว่านี่เัที่สามแล้วหลครั้งแรกขึ้นมานี่ผมว่าผมรู้สเลื่อนสายหลวงทีนี้ก็คือเวล า, ามาีไครมน่ยผมมักจะบรถมาหลพ่อเพราะรู้สึกเนแล้วก็หวังว่าคนจะได้นาต่างหลวงพหอเดี๋ยวจะทาให้ผมเกลีดด่ย้อยลงที่จะไปกังวล น, นะ เดี๋ยวจะเล่าเรื่องหนึงมีสมัยพุท ธ, ธกาลมีอมาตะคนหนึงชื่อสีหอมตะแกไปรบชนะมาพระเจ้าเกษตรที่โกรธสน้นให้รางวัลให้ให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอาทิตย์หนึงแต่ว่าให้เป็นเฉยๆแนละ้วไม่ได้ปกครองจริงให้เสพตุกแกก็กินเหล้าแล้วก็เรียกอีนูมาร้องราทําเพลงนะั้งอยู่เจ็ดวันเป็นเมาแอนเวันที่เจ็ดเนี่ยอีนูแกตายไปคนแกก็เสียอกเสียใจนะ เขาตั้งช้างมาจะไปหาพราะพุทธเจ้าอยากจะไปฟังธรรมบ้างแล้วเขาไปเจอพระเจ้าฟังธรรมว่าอะไรนะลืมไปแล้วพระเจ้าเทศให้ฟังนะแกก็ยังอยู่บนหลังช้างนั้นนะแล้วก็แต่งตัวด้วยเครื่องทรงของพระราชานล้วนะแล้วก็เป็นพระอรหันต์ตรงนั้นเลยแล้วก็ตายตรงนั้นเ <c oughs> ลย <c oughs> คือจิตนะมันคาว่าปัจจุบันปัจจุบันสําคัญ ไม่มีหรอกที่ว่าจิตของเราจะไม่มีอกุศลล้วนหรือมีแต่กุศลร้วนๆจิตของเราก็เจออกุศลทุกคนหรอกไม่ใช่ว่าทุกขณะมันต้องเป็นกุศลเสมอไปแต่ว่าเราอยหมั่นตามรู้ตามดูไปเรื่อยอกุศลมันก็ค่อยน้อยลงน้อยลงโอกาสเกิดของมันสั้นลงสั้นลงนี่ถ้าบางคนนี่ไปคิดแต่ว่าเราทำบาปเยอะทำอกุศลมาก ภาพนี้ไม่มีหวังมันก็จะไม่มีหวังอยู่นะมันอยู่ที่ใจของเรานะใจในปัจจุบันนี้เป็นกุศลเรืออกุศลถ้าใจในขณะนี้เป็นกุศลก็ใช้ได้แล้วมีคนหนึ่งเป็นเพชฌฆาตเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนไปเยอะเลยตัดหัวผู้ร้ายไปมากนั่นแ ก, ะกะเกษียณแล้วเขาก็ทําบุญเป็นนิมนต์พระภาษาลิบุตรนะทําบุญพอเลี้ยงพระเสร็จภาษาลิบุตรก็เทศให้ฟัง แกฟังแล้วจิตใจแก่ฟุ้งซ่านมากเลยตอนแกก็คอยคิดอยู่เรื่อยว่าจะเป็นคนบาปฆ่าคนมาเยอะอย่างงก็ไม่บรรลุธรรมหรอกในใจของตัวเองนะกวางตัวเองว่างั้นเรากินเหล้าก็ไม่เกี่ยวนะแต่ไม่ใช่ส่งเสริมให้กินเหล้านะพูดก็ให้แยกชีวิตเป็นส่วนๆนี่พระสาัตริบท่านก็ดูออกวาอ๋อจิตแก่ฟุ้งซ่านจะเป็นป่วงกัวงวลไว่แกแค่ฆ่าคนมนาเยอะพระสาริบท่านเราออกอุบาลเรียกกูสโลบาล แกงถามอ่ะตอนที่เป็นประหารนนะักโทษเนี่ยเต็มใจทําหรือว่าพระราชาสั่งให้ทําแกบอกว่าพระราชาสั่งให้ทาทราริบุธถามแค่นั้นนะ่ะแกก็คิดต่อเองแบบเออพระราชาสั่งให้ทาแกก็ไม่บาปผิดบาปก็อยู่ที่พระราชาเนีย่ยพวกมิจฉาทิฐิ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ใจสงบเนี่ยฟังธรรมะนะได้ทัศนบัณเราะฉะนั้ น, นคนที่กาลังเมาเหล้า ก็เคยบรรลุพระอรหันต์มาแล้วนะมันคนละคณะกันนะไม่ใช่จิตไปสนทนาธรรมไปแล้วบรรลุไปยังไม่เคยเห็นนะยังไม่มีเคสตัวอย่างที่จะอเ่งเรียนเรืเ่องบ้านที่เราเรียนใช่ใช่ทำได้ถูกแล้วแต่อย่าทำมให้เกินกว่านั้นนะ พอดูเป็นแล้วส่วนมากชอบไปเพิ้งตอนหลังๆอยากรู้ให้ชัดอยากรู้ให้ชัดเลยจ้องเอาจ้องเอาอย่างงั้นไม่ดีรู้เล่นๆไปรู้สบายๆรู้บ้างเผลอบ้างแอย่าเผลอนานาน่าเกลียด ร, รู้และไหลแฝ่รู้สึกแฝด ร, รู้สึกอย่างงั้นดีที่สุดพอกลัวจะเผลอก็ตั้งจ้องคนที่ไม่เคยฝึกกรรมาฐานเลยนะพอมาฟังทำเรื่องการเจริญสติสติเกิดง่าย แต่พอสติเกิดแล้วถัดจากนั้นก็จะเริ่มผิดเหมือนที่เขาทํากันทั่วๆ ไ, ไปเริ่มไปเพ่งเนาะโยกใจมากขึ้นมากขึ้นก็ไปนั่งจ้องเอาจ้องเอากลายเป็นนั่งเิ่งระวังตรงนั้นก็แล้วแต่ที่รู้อยู่ใช้ได้ของคุณผู้ชาย่ะจิตเกินจริงอยู่นิดนึงทราบไหมบางคับอยู่นิดนึงใช่ได้แหละให้เห็นอย่างนี้นดีแล้วรู้ทันแล้วจะได้ผ<ม>ู้ผู้หญิงอก่อนจะจับใหอ่จิตดีนะ พอจำใหม่แล้วมันต้องไปถึกหาเรื่องพูดมันหางานให้จิตทำเพราะนั้นส่งใหม่ต่อไปเลยไปครับเออก็ตอนนี้ยัสบายอย่าง้สบายจิตยังมีโมหะกยู่ oh a, หรไหมมีความมัวมัวมัวมวแล้วก็เออมีคล้ายคอย่างขึ้นความอิจฉตลอดอย่เงยเอ๊ะรู้ไปด้วยนะรู้ไป้ครับแล้วก็ ลาช่วงิีวตัวร้อนมากมัเป็นทับกูสเลยจิตไปทำ ไ, ไมรู้ว่าเป็นอับกูสนล่ะมันไม่ค่อยคาไม่ค่บ า, ม, ม, ามันไปโกสรสบความคิดถ้าเรารู้ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอักูสนนะอันนั้นใช้ได้ <อ addition. S 1> ถ้าเรารู้ว่าจิตไปพัวพันกับความคิดนี่ก็ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเพราะงั้นในขณะ ท, ที่จิตเป็นกูสนเนี่ยถ้าเผลอเพลินเลยกับกูสนไม่ดี เช่นจ re really sure ิตของเราอยู่กับตัวรู้แล้วเราเพลินหรือกับตัวรู้นั่แช่อยู่กับตัวรู้อย่างนี้ไม่ดีถ้าจิตเป็นอกุศลฟุ้งซ่านแล้วเราเห็นใจเราไหลไปเข้าเครียอยู่อันนั้นดีนะเรารู้ทันสภาวะนั้นดีหรือไม่ดีในการปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่ว่าเห็นหรือไม่เห็นพระเจ้าท่านสอนบอกว่าถ้าจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลอันนี้ดีนะจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลอันนี้ก็ดี จิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลอักกุศลก็ไม่รู้ว่าเป็นอักกุศลอย่างนี้ไม่ดีงการที่เห็นว่าตอนช่วงนี้จิตใจฟงต้านอันนั้นแหละดี s. <S แล้วอย่าอยากให้หายก็แล้วกันแต่อยา่าไปช่วยมันฟงต้านนะคือรู้สึกว่ามันก็ยัง่ทาูู้วัมตดแต่ว่าัมมมดดม้มิววมตต่อไคศษบาง่ทำให้ิดม่เิมดิขึ้นมเออมันยังอร่อยกอารมณ์เก่าอยู่ ห้ามมันไม่ได้เห็นไหมห้ามไม่ได้แท้จริงแล้วธรรมะแสดงตัวสอนเราตลอดนะแต่เราไม่ค่อยฟังเช่นพอมันดับไปแล้วอยากให้ดับไปเลยไม่อยากให้เกิดอีกถ้ามันมีเหตุใจมันยังเคร้าเคลียยังคิดไม่ตกก็กลับมาคิดอีกห้ามไม่ได้หรอกแต่เพียงคิดไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลอนนี้ก็คอยรู้ว่าที่ขึ้นว่าลาลูขนมา นั่นแหละมันรู้เข้ามาไม่ถึงฐานดีแล้วที่เห็นมันรู้อยู่รอบนอกใจไม่ตั้งมั่นจริงๆแล้วถ้าทำตามรูปแบบก็คือต้องเพิ่มสมารถนิดนึงแต่โลภงพ่อกลัวว่าไปตามชนิดจะไติดแฝกๆเข้าไปให้รู้ทันเอาว่าใจไม่ถึงฐานใจมันรู้อยู่นอกนอกมันมอีต้ามอเตมันมีาาี คืมีสมถะอันหนึ่งที่มันไม่ค่อยเพ่งนะคือบริกรรมบริกรรมพุทโธอะไรเงี้ยพุทโธพุทโธมันไม่รู้จะไปเพ่งที่ไหนนะพุทโธพุทโธแล้วก็คอดูใจพุทโธไปแล้วใจแอบไปคิดรู้ทันพุทโธแล้วใจสงบก็รู้ทันใจฟุกงต้านรู้ทันพุทโธแล้วรู้ทันใจเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆเนี๋ยมันจะไฟตีวงกระชับเข้ามาเข้ามาที่ฐานของมันได้จิตไม่ตั้งมั่นนะ แต่ว่าอย่างดีที่เด็เอเอกรักรู้พก่มนสกรู้ยากกอรู้ยากเพอรู้ยากกอับกูสลนมันยากอย่างอับกูสอนโสูง่ายนะโสดมันยากแล้วโลภาก็ยากขึ้นหน่อยโมหารู้ยากมันละเอียด แล้วอับปูชนเนี่ยพอละเอียดเข้าจริงๆหน้าตาเหมือนกุชนเลยอย่างอาวิชาเนี่นะเป็นความผ่องใสอย่างยิ่เงเลยคื อ, อใจเราเนี่ยมันเบิกบานมันผ่องใสมันแจ่มแจ้งกล้าอยู่นั่นเลยนะ ด, ดูดีนะดูนั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าจิตอวิชชาคือมันไม่เห็นว่าตัวมันเองเป็นตัวทุกข์มันเห็นว่าตัวมันเป็นตัวดีมันเห็นว่าตัวรู้เนี่ยเป็นที่พึ่งที่อาศัย ใจมันจะกาะเอาตัวรู้ไว้จะอาศัยตัวรู้ไปเรื่อยมันไม่รู้ความจริงว่าตัวรู้เองก็ตกอยู่ใต้ใจรักตัวรู้เองก็เป็นตัวปุ๊บเนื้กิเลสไมพอละเอียดนะจะดูยากหน้าตาเหมือนสุสุลอย่างที่เราภาวนาบางครั้งใจมันเกิดการดิ้นรนค้นคว้าขึ้นมานิดนึ่งมันกลัวโง่ไปกลัวไม่มีปัญญามันก็เที่ยวคิดพิจารณาอะไรอย่าง เราก็นึกว่าการคิดพิดดจารณาเนี่ยคือการเจริญปัญญาแม้นหน้าตามันเหมือนกุศลนะนึกว่าเป็นปัญญานะ่ยที่แเป็นอุจฉะแหองความพุ่งกล้านของจิตดังนั้นมันมีความประณีตงานกรรมฐานเนะี่ยต้องใจเย็นๆนิดนึ่งค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะคือตราบใดที่ใจเรายังเกาะเกี่ยวหรือและใจยังเกาะกับตัวผู้รู้อยู่งานของเรายังไม่เสร็จจิตต้องค่อยๆศึกษาต้องใจแข็งนะอย่าไปเสียดาย ว่านึกว่าได้ชั้นนั้นชั้นนี้แล้วมันหายไปเสียอกเสียใจเอย่าไปเสียดามันไม่ใช่ของแพ้ระับใดที่จิตยังมีความทุกข์ครอบงําได้อยู่มีความเสียอกเสียใจเศ้าหมองครอบงําได้อยู่ก็แสดงว่าเรายังทําไม่ถึงที่สุดของการศึกษาศาสนาพุทธต้องเข้มแข็งนะค่อยๆรู้ค่อยๆเรียนแต่มีหลายคนนะภาวนาแล้วมาหาหลวงพ่อนะ จะมาบอกหลวงพ่อว่าจะได้ทำมัดชั้ น, นั้นชั้นนี้อย่างนี้อย่างนี้ใจเด็ดนะเนี่ยเป็นพระอรหันต์เก่า้นะสลักได้ในเด็ดทีมนี้หลวงพ่อนับถือเลยใจ <c oughs> ถือนี้จริงไหลายคนทนไม่ได้ทนไม่ได้ไไดเหมือนเรียวบว่าได้เป็นพระริยะแล้ววันหนึ่งถูกถอดอย่าไปเสียดายมันนะมันไม่ใช่ของแท้ถ้าเราไปเอาของไม่จริงเราไปคิดว่าจริงเราพอใจแค่นี้เราก็ไปไม่ได้ล้ว แต่สิ่งที่เราทำมามันไม่ได้เสียหลายอะไรมันปรับอีกนิดเดียวมันก็ไปได้ขับพิญญาอืมอ่าถ้าเราติดเราก็รู้เนาะมันไปว่างแล้วเราชอบไหมล่ะ อ้าวไม่ชอบเหรอไม่ชอบให้รู้ทันว่าไม่ชอบความจริงแล้วจิตจะเป็นยังไงก็ได้จิตจะไปอยู่กับความว่างก็ได้จิตจะไปอยู่กับความวุ่นวายก็ได้เอนนอแต่ตอนนี้เผลอแล้วรู้ไหมอันนี้ลืมไปแล้วนะใจขณะเนี้ยเราเผลอไปให้รู้ทันมันไปเรื่อย ตรงนั้นก to ็ไม no <im> no <im> ่เที่ยงนะรู้สึกไหมตรงนั้นก็ไม่เที่ยงว่างแล้วก็ไม่ว่างใช่ไหมไม่ว่างก็ไม่เที่ยงนะไม่ว่างสักคักหนึ่งก็เที่ยงก็ก็ว่างขึ้นมาอีกดูทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงไปสุขก็ไม่เที่ยงนะทุกก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงความวุ่นวายก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงความว่างเปล่าก็ไม่เที่ยงนะอะไรๆก็ไม่เที่ยง ไม่ได้ฝึกเพื่อเอาอันใดนหนึ่งแบฝึกเพื่อจะปล่อยทุกอันเลยแต่เราไม่กล้าที่จะเตอนที่ี่หวพ่อาไม่กทานเนได้่หมือนกันไม่เหมือนกันะธรรมะที่หลวงพ่อพูดนะหลวงพ่อแบบถอดหัวใจให้เลยนะนี่เวลาที่เราฟังเนี่ย เราจะฟังแล้วเราจะเข้าใจเป็นลำดับลําดับไปฟังรอบหนึ่งแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปแล้วมาฟังความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนเดิมหรอกเหมือนอย่างคุณอะไรเชียงใหม่เป็นไงละ่ะอบอกว่าเมื่อวานหลวงพ่อเทศบักทองควาจริงเป็นบักที่เทศทุกวันเลยเมื่อก่อนก็ได้ยินนะได้ยินซ้ําแล้วซ้ำอีกนะแต่ใจมันยังมาไม่ถึงตรงที่จะเข้าใจ เราฟังไปฟังไปถึงจุดที่ม่เข้าใจก็ปิ้งขึ้นมาเหมือนก็นได้ฟังของใหม่จริงของเก่าทั้งนั้นะธรรมะที่หลวงพ่อพูดนะธรรมะของเก่าทั้งนั้นเลยธรรมะนี่เก่าแก่มาหลายพันปีแล้วจงิ mm ีเราก็ฟังฟังไปถึงวันหนึ่งมันสะดุดตรงนี้จุดนี้ขึ้นมาเข้าใจขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าเราก็รู้ธรรมะพอสมควรเราฟังต่อไปอีกศึกษาต่อไปอีกอีกวันหนึ่งก็ปิ้งขึ้นมาจริงนะความรู้ความเข้าใจก็ต่างไปจากเก่า ยกตัวอย่างเนี่ยอย่างคนทั่วๆไปเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามีตัณหาเนี่ยยังไม่ทุกนะมีความอยากเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ทุกถ้าไม่สมอยากมันยังทุกมีคนทั่วๆไปรู้สึกนี้ความไม่สมอยากทําให้เกิดความทุกข์แต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติไปช่วงหนึ่งเราจะเห็นว่าความอยากเกิดขึ้นนะจะสมอยากหรือจะไม่สมอยากก็ตามถ้ามีความอยากเกิดขึ้นในใจซึ่ น, นี้เดียวความทุกข์ก็จะเกิดแต่มันจะดิน แต่ถ้าเราศึกษาปฏิบัติธรรมให้ถึงขีดสุดเลยเราจะพบอีกอย่างว่าจะมีความอยากหรือไม่มีความอยากก็ตามขันห้าเป็นทุกโดยตัวของมันเองนะ่ธรรมะมีหลายชั้นนะลึกซึ้งเป็นลำดับลาดับไปกว่าจะเข้าใจรู้แจ้งแทงตลอดได้ก็เราก็จะ พ, นพ้นทุกข์ได้จริงๆก็ค่อยๆเรียนไปพระพุทธเจ้าท่านเคยพูดนะบอกท่านไม่สรเสริญความหยุดนิ่งในธรรมะ หมถึงว่าถ้าเราปฏิบัติมาถึงตรงนี้แล้วเราก็พอและชาตินี้พอแล้วจิตสบายแล้วจิตว่างจิตอยู่กับผู้รู้ได้แล้วพอใจแล้วนะครูเจ้าบอกท่านยังไม่สารเสร็จมันเป็นความหยุดนิ่งต้องเรียนอีกวิธีเรียนธรรมะก็คือเรียนจัดของจริงคอยสังเกตกายสังเกตใจจิต ใ, ใจเราไปติดเไปคล้องอะไรคอยเรียนคอยรู้ไปเรื่อยๆในสุดมัจะค่อยกลายออกกลายออกจนวันหนึ่งมันไม่ยึดถือตัวมันเองไม่ใช่ไม่ยึดถืออันอื่นนะ จะไม่ยึดถือตัวจิตตัวใจเองแต่ตรงที่จิตไม่ยึดถือจิตเนี่มันอัศจรรย์นนะวะตัตถจักมันคว่ำลงตรงน้นมันไม่ใช่ใจเราไปเฉยๆไม่รู้ร้อนรู้หนาวแล้วก็ บ, กบรรลุไม่ใช่นะค่อยๆเรีย น, นไปน่อยๆเรียนธรรมะยึดตื้อคุณเจ้าท่านบอกธรรมะที่ท่านสอนเหมือนทะเลเลยนนะหมือนทะเลเหมือนมหาสมุทร ลงไปฟุตหนึ่งลงไปเมตรนึงก็ทะเลเหมือนกันเพราะมันลึกลงเป็นลำดับลาดับลงไปอย่างอาริยรสัจสีพวกเราได้ยินมานานหลวงพ่อก็นึกว่าเข้าใจอริยรสัจสีตั้งแต่เด็กๆนะสมัยโบราณมีวิชาศีลธรรมเรียนอริยสัจสีมาแล้วตั้งแต่เล็กๆในชั้นประถมต้นเลยเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์รักจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ อยากก็ไม่สมความอยากก็เป็นทุกข์เราเรียนไปเราก็คิดว่าเราเข้าใจอริยสัจที่จริงไม่เข้าใจเราเข้าใจว่าอะไรเราเข้าใจว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์อันนี้ไม่ใช่อริยสัจอริยสัจสอนบอกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ที่เวลาเราฟังธรรมะนึกว่าเข้าใจนะต่ไม่เข้าใจหรอกนี้ภาวนา ตามรู้ตามดูรู้รู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้านะค่อยๆเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะเห็นอย่างพระพุทธเจา้าสอนบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์กายกับใจเป็นทุกข์เราก็ว่าเราเข้าใจใช่ไหมเออันนี้เราก็เข้าใจนะแต่ถามว่าจริงๆแล้วใจเราเห็นอะไรใจใจเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างนะจิตใจนี้เป็นของที่เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง นี่เราเห็นอย่างนี้นะเห็นว่าทุกบ้างสุขบ้างในขณะที่พระพุทธเจ้าบอกขันห้าเป็นทุกเราเห็นไม่ได้ตรงกับที่ท่านสอนเลยแต่เราก็ยังนึกว่าเราเข้าใจธรรมะและ้วอย่างร่างกายเราก็รู้สึกทุกบ้างสุขบ้างจิตใจทุกบ้างสุขบ้างไม่ใช่ธรรมะหรอกเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเรียนนะค่อยๆฟังไปเรื่อยความรู้ความเข้าใจมันก็จะลึกลงลึกลงลึกตึงธรรมะลึกตึงนะ พระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่ยังจะต้องเวียนตายเวียนเกิดอริยสัจนี้เป็นธรรมสาคัญที่สุดถ้ารู้อริยสัจก็คือเราจะได้ที่พึ่งที่ปลอดภัยแล้วทําไมรู้อริยสัจนัเราได้ที่พึ่งที่ปลอดภัยเราจะแจ้งนิพพานในสังสารวัตนี้ไม่มีอะไรที่ปลอดภัยเลยก้นจากสังสารวัตรไปคือนิพพานนีนะ่แหละจะเป็นที่พึ่งที่ปลอดภัย ไปถึงไหนแล้วตนีดีกว่ากว่าถูกต้องง่าครับ้ดีก็มือ่อยนังลฟังหลวงพ่อนะฟังพอประมาณก็ได้ไม่ต้องบ่อยก็ได้แรกๆก็อาจจะบ่อยนิดนึงพอรู้หลักแล้วก็ไปใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูตัวเองดูตัวเองมากๆ ธรรมะเนี่ยไม่ใช่ของที่สอนกันได้ธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวรู้ด้วยตัวเองสิ่งที่บอกกันได้ก็คือวิธีปฏิบัติมาเลยวิธีให้รู้กายให้รู้ใจเรารู้กายรู้ใจเรามีสติรู้กาย ร, ารู้ใจแล้วกายกับใจจะสอนธรรมะเราเองคือเขาจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูอย่างร่างกายเนี่ยเรานั่งอยู่เฉยๆนะนั่งอยู่สบายๆแป๊บเดียวเขทุกข์แล้วเมื่อยเนี่ยมันสอนธรรมะเรานะ จิตใจก็แสดงธรรมะให้ดูไม่เที่ยงเคื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนคอรู้คอดูไปเรื่อยจนวันหนึ่งใจเรายอมรับความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกเอ อ, อ, อคิดทั้งวันนะเคยเห็นไหมพอไปคิดแล้วเดี๋ยวก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลนะสกุศลตามหลังความคิดมาทั้งนั้น งั้นให้คอยรู้ทันไปดีละลวงพเห็นท่าวไนั่นแหละม่หลวงพ่อไม่ได้แกล้งว่าไหมมีพยานอีกคนแ ล, ล้วหลวงพ่อบอกว่าในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกมีแต่คนหลงมีแต่คนเผลอคนไม่เข้าใจนะเรื่องว่าหลวงพ่อแกล้งว่าถ้าสติเคยจริงเกิดแล้วจะรู้เลยในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกมันหลงทั้งโลกเลยลลลลแล้วจิตขนาดนี้เป็นยังไง เคยเกยินไหมมีการสะท้อนไว้ด้วยก็เหมือนกันรู้สึกว่าที่นลัก็เหมือนาเราให้มันเออตันั้นแหละตัวนั้นแหละที่เกินนะ ต, ตรงที่เราไปทามันขึ้นมาสังเกตไหมจิตจะเผลอ ER, จิตก็เปลอ ER ของเขาเองเออแต่พอเราไปรู้ว่ามันเผลอ ER เข้าเราไม่ชอบ เ, ออเราไปพยายามทำคราวนี้เราทำาเราไม่ใช่จิตทำนะ เราเป็นคนลงมือทำคือประคองไว้ก็กลัวจะเผลอจิตเนี่ยเป็นปรุงแต่งของมันเองไม่เป็นไรเพราะจิตมีหน้าที่ปรุงแต่งแต่เราอยา่าไปปรุงแต่งมันเสเองเพราะฉะนั้นในตรงที่เราประคองไว้นี่แหละคือสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองให้รู้ทันตัวนี้นะในที่สุดเราไม่ปรุงแต่งแต่จิตนั้นปนะรุงแต่งเ็อะไรก็จิตมีหน้าที่ปรุงแต่ง ไม่ได้ไปฝึกเพื่อไม่ให้มันคิดมันนึกนะไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้มันปรุงแต่งฝึกเจนกระทั่งเราไม่ช่วยมันปรุงแต่งใจมันจะเป็นอิสระมาเข้าใจไหมตรงนี้ต้องใช้ยเวาฝึกฝึกตามรู้ไปเะฉะนั้นตามรู้อะไรตามรู้ความปรุงแต่งของใจเราเช่นความโกรธเกิดขึ้นความเสียใจเกิดขึ้นอะไรย่เงี้ยใจเราไม่ชอบอยากให้หายให้รู้ทันมันอยากหาย พออยากหายก็หาทางทํากรรมฐานอย่างน้นอย่างนี้เพื่อจะแก้แก้อาการแล้วรู้ทันกํากลังลงมือทำแล้วทัดบุกต้องก็คือพ อ, อความโกรธเกิดขึ้นความเสียใจเกิดขึ้นสักว่ารู้สักว่าเห็นใจไม่ทําอะไรพอไม่ทําอะไรเลยเราจะเห็นจิตนี้ทํำงานเองล้วนๆเลยจิตทํางานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราเหรอกมันทํางานของมันเองทั้งวันทั้งคืนมันปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนไม่เคยคงที่เลย แต่ถ้าเรายังช่วยมันปรุงแต่งเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์ของจิตครับวิธีทีมีสาธารมณ์ท่ใดที่อยากได้นะมตัวมีาจะรว่าอีเปนะครับพว่าตีีมีความเมี่นวิธีีอมที่ีได้ค อย่าจงใจพยายามดูนะถาานะน้าพยายามดูเนี่ยไม่เห็นวามพยายามมันปรุแต่งขึ้นมามันบังหมดเลยการที่เราคอยรู้คอยดูจิตใจของเราเรื่อยๆเลยจิตมันจะจำสภาวะที่ละเอียดละเอียดได้มากขึ้นมากขึ้นอย่างทีแรกต้องโกรธอย่างแรงๆก่อนถึงจะเห็นนี่เราหัดดูของเราทุกวี่ทุกวันนะเอาไปแค่เริ่มขัดใจเราก็เห็นลนะเนี่ยมันละเอียดขึ้นเองนะอย่ารีบร้อนนะ งานทำกรรมฐานไม่ใช่งานรีบร้อนแต่ไม่ใช่งานที่จะต้องปล่อยปล่าละเลยไม่ปล่อยปล่าละเลยทุกวันตามรู้ตามดูแต่ไม่รีบร้อนถ้ารีบร้อนทุรนทุรายไม่อไรนะไม่มีอะไรให้ดูแล้วของจริงหายไปหมดจิตไม่มีแรองนจิตไม่มีแรงต้องทำสรรมฐานนิดหนึ่ง ใช่บริกรรมไปเรื่ก็ได้นตั้งมอนแรกเลค่ะตอนขึ้นด้าษหลวงอท่่ที่สำคัญมีเรื่าษาองกฤษแะได้เข้าใจจาาที่คุยมาคือความรู้อะไรเนี่ยในพ่อท่านจะแตกแย ้็ลองทำดูนะคือสิ่งที่หลวงพ่อบอกได้นี่มันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันพวกเราคนรุ่นนี้นะทุกวันทำมาหากินกันทำงานหนักมีเรื่องวุ่นวายใจแยๆ่ๆต้องคิดมากๆอไย่างเงี้ยเราไม่ค่อยมีเวลาทำกรรมฐานในรูปแบบมากนระฉะนั้นถ้าเราก็ต้องพยายามฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวัน พอรู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆการดูจิต ด, ดูใจเนี่มันทำในชีวิตประจําวันได้อย่างเราขับรถอยู่นะเห็นไฟแดงเนี้ยวันนี้เจอแต่ไฟแดงแล้วไม่สบายใจอีกวันดงขับรถเจอแต่ไฟเขียวเนี่ดีใจหรือเราขับรถอยู่รถติดแถวยาวติดอยู่ที่สี่แยกแถวยาวเลยเห็นไฟเขียวขึ้นมาเราก็ยังไม่ดีใจเราขับกระวกระวนกระวายว่าเราจะพ้นไหมเดี๋ยวจะไฟแดงก่อนไหม หรือเราขับรถอยู่นะเขาปาดหน้าเราโมโหแล้วก็ว เ, เห็นในความโมโหครับคนทั่วไปผดนปาดหน้าโมโหก็ไปดูไอ้คนที่ปาดาของเราพอโมโหเรามาดูใจที่โมโหเพื่อฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันได้เราจะเลี้ยงลูกเราจะทํางานทํางานบ้านทําอะไรมันทําได้หมดอ่ะยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิด อย่างถ้าเราจดจอการคิดเนี่ยเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้น่ยกเว้นคือตัวความคิดเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณบัญญัต เวลาเราทำนิพพาสนาเราไม่ได้ไปรู cool ้เรื่องที่คิดหรอกให้เรารู้ทันว่าจิตกำลังไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดนะอย่าเมื่อกี้เนี่ยกำลังสฉลบไปคิดทราบไหมให้รู้ว่าจิตไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะต่างกันคนทั้งโลกเนี่ยเขารู้เรื่องที่เขาคิดแต่เขาไม่เห็นว่าจิตกำลังไปคิดอยู่อย่างตอนนี้จิตไปคิดอีกแล้วทราบไหมให้หัดัวอย่างนี้นะใจไหลไปคิดแป๊บเราเห็นไหลไปคิดแป๊บเราเห็น ดังนั้นเวลาที่ทํางานที่ใช้ความคิดเนี่ยถึงทํากรรมาฐานอย่างนี้ไม่ได้เพราะใจมันจะต้องไหลไปอยู่กับความคิดแต่ถ้าเราไม่ได้ทํางานที่ใช้ความคิดในอย่างขณะปัจจุบันเนี้ยหรือขณะเราทานข้าวเราอาบน้ำอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทํางานที่ใช้ความคิดใจเราไหลไปคิดแ บ, บ่ให้เรารู้ทังเนี่ยไปอีกแล้วทราบไหมเนี่ยไปอย่างเนี้ยล้าเรียนรู้ไปอย่างนี้ในที่สุดใจจะถื่ขึ้นมา แล้วเราจะเห็นทันทีที่เราตื่นขึ้นมาเราจะเห็นอะไรากายนี้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไม่ใช่ตัวเราภูตน่ะภูตนทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราให้เรียนไปเรื่อยๆแล้ววันหน่างเห็นตัวเราไม่มีพอ ต, ตัวเราไม่มีเนี่ยที่จะรองรับความทุกข์ก็ไม่มีทุกวันนี้เรารู้สึกว่ามีตัวเราเราจึงต้องดิ้นรนทําอะไรต่ออะไรตลอดเวลาเช่นดิ้นรนไปทํามาหากินอันนี้จําเป็นอยู่กับโลก ตัหนึ่งดิ้นรนปฏิบัติธรรมเพื่อว่าตัวเราจะได้ดี ต, ดดตัวเราจะได้มีความสุขก็คิดว่ามีตัวเราก็ปรุงแต่งไปชัว่วบ้างฝ่ายดีบ้างเพื่อหวังว่าตัวเราจะได้มีความสุขแตการที่เราคอยรู้สึกตัวขึ้นมาถึงวันหนึ่งเราจะเห็นตัวเราไม่มีนั้นความดิ้นรนของจิตใจที่จะหาความสุขมาให้ตัวเรานี่ก็จะไม่ไ ม, ม, ม, ไ ม, ไมีความดิ้นรนที่จะให้ตัวเราคล่อทุกข์ก็จะไม่มีเมื่อใจมันไม่มีความดิ้นรนนะใจจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริง แต่ที่หมดความหิวโหยยิ้มย่เนี่มันหมดตัณหาทันทีที่ตัณหาดับสนิทนนิพพานนี่ปรากฏขึ้นมาคือสันติสุขมันเกิดขึ้นในใจเราทันทีแอบไปคิดแล้วทราบไหมอาดูอย่างนี้นะดูไเรจเนี่ย้รู้เที่ีไ่ร้รู้ด้เยรู้ได้ไ ได้ได้แต่ว่ามันจะเป็นการรู้ที่ตามหลังนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นรู้ที่ซ้อนกันอย่างเงี้ยตอนเนี้มีปัญหาที่โหลวงพ่อเติดนคุณนักหนาก็คืออย่าให้ตัวรู้มันเข้าไปซ้อนกันถ้าซ้อนกันเนี้ยมันจะพุงที่มันจะขาขาไว้กันแต่ถ้ามันจะเห็นมีจิตตัวรู้ตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาทุ๊บแล้วตัวนี้มันดับนะมีตัวรู้อีกตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาเห็นตัวเดิมมันจะรู้จักตัวเดิมถ้าอย่างนี้มันจะเห็นตัวรู้เองก็เกิดดับ เคยได้ยินชื่อโหลกูล่าไหยคุณเจ้าพ่อโลกูลา่าคุณเจ้าพ่อบอกว่าถ้าใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นวิจฉาทิฏฐิอันี้ที่หลวงพ่อเป็นห่วง ค, คุณคือเปืนนี้เราะั้นไม่ใช่ว่าเราเป็เจ้าใส่ตัวผู้รู้นะหรือถ้ามันเข้าเปน็นแหนบเป็นอันเดียวกันแล้วก็ไปค้างอยู่เงนี้ยอันนี้ไม่ได้นะถ้าเกิดที่ท ออมันรู้อย่างเดียวมันไม่พูดมันไม่มีที่ไปดูอ่าแต่ปัญหาของคุณก็คือมันมีจิตตัวหนึ่งที่นิ่งนิ่งคงที่อยู่เรื่อยรู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งนิ่งคงที่อยู่เรื่อยตัวนี้แหละคือตัวที่เป็นปัญหาอย่าไปรักษาตัวนี้ไว้ปลับใดที่เราตรึงตัวนี้ไว้ปัญญาแท้ๆเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเรายังไปตรึงความรู้สึกเอาไว้ที่จิตดวงหนึ่งมันจะคงที่ เพราะฉะนั้นจิตเราจะไม่สบายนะไม่โปร่งไม่เบาไม่เบิกบานไม่มีความสุขที่แท้จริงมันจะนิ่งๆเฉยๆนิ่งๆแห้งแรงไปน้่แหละที่หลวงพ่อให้ส่งมากลางห้องก็เพื่อจะบอกเรื่องนี้เละนะอย่าให้มันซ้อนเข้าไปเป็นอันเดียวนี้ปล่อยให้มันเคลื่อนปล่อยให้มันเคลื่อนไหแล้วก็คอยรู้คอยดูไปตามรู้ไปอย่าให้มันแนบเข้าไปขอระที่นี่ที่รแล้ว มีอะไรนะลูกเอสามคนเชอะหานยอะทำตัวให้ให้ลูกดูนะทำตัวให้มีความสุขอย่างที่หลวงพ่อบอกคนใกล้ตัวนะเราต้องเป็นตัวอย่างเด็กเนี่ยยัดเยียดไม่ได้เด็กไม่ใช่งูนะไปเห็นเขาเลี้ยงงูไหมเป็นสัตวะพาอากงูมาบีบปากให้อ้าปากแล้วเอาทีมชีบเนื้อยัด อย่ายัดเด ย, ยียดยะเยีดเดยดมันสอ่สร้านแต่ว่าพาเขาฟังธรรมะบ้างเราไม่ต้องควรก็หลอกใชอย่างเราเปิดซีดีเปิดอะไรนะให้เข้าหูไปหรือทำตัวของเราให้เขาเห็น เ, าเอาใส่บาตรบ้างช่วยเหลือคนบ้างอะไรบ้างทําให้เขาเห็นเขาหลังแก่สัตว์แล้วก็ห้ามสนซะให้หลังแก่ค่อยๆสอนออยุสักสิบปีสิบเอ็ดสิบสองปีอะไรเงี้ยก็ค่อยพูดดูเรื่องแนละ้ว ก็หัดให้เขารู้ความรู้สึกของตัวเองไปเช่นเขาอยากกินขนมรู้ไหมให้รู้ก่อนนะว่าอยากนะรู้แล้วก็ให้กินได้ไม่ใช่ว่ารู้ว่าอยากแล้วก็อยา่าพอความอยากดับไปแล้วห้ามกินต่อไปมันจะไม่ยอบดูเนี <c oughs> ่ยคุณเสื้อดํารู้สึกไหมมันมีตัวหนึงนิ่งอยู่เรื่อยๆเนี่ยตัวเนี้ปล่อยสักเถอปล่อยสักอย่าไปตรึงันไว้ ห้าว่าไงอิมช่วยส่งเลยคือุปทนเน่ัวลอยแน่นเลยะถามาอูี่นั่นแหละนะที่หลวงพ่อบอกไปเพราะเราไม่รู้อริยสัจเราไม่รู้ทุกเราไม่รู้ว่าขันห้าขายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกนะเราคิดว่าันเป็นตัวเรา ถ้าเราคิดว่ามันเป็นตัวเราอย่างเงียวแน่นเราก็อยากให้มันมีความสุขอยากให้มันคนจากทุขมันก็เกิดการดิ้นรนขึ้นมาการดิ้นรนก็มีสามแบบกดิ้นรนฝ่ายชั่วคือดิ้นรนสแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาให้มันดิ้นรนฝ่ายดีก็คืออย่างที่นักกรรมฐานชอบทบาบังคับกายบังคับใจรู้สึกไหมเราไปบังคับมันหวังว่ามันจะดีมันจะสุขแลอีกดิ้นรนหนึ่งก็คือหนีการรับรู้อารมณ์ไปหนีโลกไปเลย ด้วยการเพ่งเพ่งรูปบ้างเพ่งนามบ้าง